หลายคนก็เอาใจช่วยตะมายอยู่คือตอนนี้ตะมานี่ติดมุมแดงเลยนะ <c oughs> คุณแม่ต้อนไปต้อนมาแต่แม่ต้องห่วงตะมาภาพในฟุตเวิร์กเก่งทุกวันนี้ความทุกข์ก็มีเรื่องเดียวเท่านั้นแหละจะปฏิเสธโยมยังไงคือป่วยด้วยโรคประชานิยมมาหลายปีละคนนั้นนี่มนคนนี้นี่มนแล้วก็วันนี้นี่พอดีมีงานสอน คือวันที่ส<ม>ิบหกเรียนหน้าคมชัดลึกเขาจะครบรอบครบรอบของการสถาปนาหนังสือพิมพ์ก mm. ็บรรณาธิการและคณะจะยกคณะกันเข้ามาว่าเอ๊ะเราจะสมโพธิยังไงนะที่มันไม่ใช่การจัดงานอีเวนต์หรูๆแล้วก็จบอาตรมังาก็บอกว่า น, นี่ตมากำลังทำผ้าป่าความพระมือม <c oughs> ก็วันนี้ก็เลยจะเข้ามาคุยกันว่าแทนที่จะจัดงานธรรมดาธรรมดาวันเดียวจบทางคมชลึกและทางครอเนชั่นทั้งหมด ซึ่งกำลังทำงานใหญ่ร่วมกับตรมาภาพที่จังหวัดเชียงรายคือบวชเนนถวายสมเด็จพระเทพ 1,990 รูปหลังจากที่เมื่ อ, เ, อเดือนกุมภานี้พระองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมโรงเรียนตรมาภาพที่จังหวัดเชียงรายแนละ้วเรากำลังจะขายายผลต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกทีมเลขา น, นัดผู้ใหญ่ทางเนชันให้มาที่นี่นะแล้วก็ฝากข่าววันนี้เลย นะอันนี้เล่าให้คุณแม่ฟังแล้วก็เล่าให้เราทั้งหลายฟังถ้าเลื่อนได้แต่พระก็อยู่ทังเย็นเลยนะคือกรตามานี่ไม่ต้องห่วงนะตามานี่เวลาให้พูดสั้นๆนี่ตามาจะมีปัญหานะแต่ถ้าคุณแม่ให้บอกตลอดเย็นนี่รลบรองถูกเกินเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้ก็เล่านิดหนึ่งว่าพระป่าความร่วมมือนี้ไปยังไงมาจางไงอตาตมาภาพนี่แอบมาเดินอยู่แถวนี้ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรน้อยอยคิดดูสิแล้วก็มี ไม่มีใครรู้จักเลยก็มาเดินรับแรงบาดานใจตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเรียนทำก็ประโยคแล้วก็มีความคิดมีความฝันอยากจะทำอะไรอย่างที่คุณแม่ทำอย่างนี้แหละแล้วก็ทำมาเรื่อยๆหลังเรียนจบแล้วตลอดเวลาก็ได้ดูได้รู้ได้เห็นว่าคุณแม่ท่านทำอะไรบ้างจนกระทาั่งงานล่าสุดก็มีงานถแถลงข่าวเปิดสาวิกาสิขาไหมหาวิชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม ก็แปลกมากนะสถาบันนี่นะเลือกเปิดในเวลาใกล้เคียงกันกันกบที่ธรรมภาพเปิดสถาบันวิมุตทยาลัย <c oughs> ถ้าเราไม่มาจอยเวนเจอร์กันนะมีปัญหาแน่ๆเลยเพราะธากิตรุปเรานี่กลุ่มเดียวกันคือใครคือมนุษยาชาติทั่วทั้งโลกเราจะเอาธรรมะเข้าไปเยียวยาสังคมทั่วทั้งโลกแล้วธรรมภาพเองนี่เป็นคนที่ชื่นชมคุณแม่มานานแล้วละ่ะทั้งต่อหน้าแ ล, ละรับหลังอาตมากล้ายืนยันได้เลยว่าพูดตรงกัน ว่าชื่นชมวันนั้นเห็นคุณแม่จัดงานถแถลงข่าวแล้วต่มาก็อยู่ต่างจังหวัดโอ้โหคนนั้นนะโทรมาบริจาคคนนี้โทรมาบริจาคเราก็นึกว่าฉันน่าจะให้สักล้านหนึ่งออกเจาะใจนะแต่แต่คลำดู่ามเพื่องแล้วนี่ไม่ถึงใจใหญ่มากแต่กระเป๋าเนี่ยฝากไว้ที่คนอื่นนะคือเงินเนี่ยมีเยอะมากแต่มันอยู่ที่คนอื่นฮนะแต่ใจจะบริจาคนะ่ะม พอวันรุ่งขึ้นก็โทรศัพท์หาคุณแม่บอกว่าคุณแม่เมื่อคืนได้ดูนะเจาะใจพิเศษมันวิเศษเหลือเกินสื่อในเมืองไทยนี่เราก็เห็นว่าเป็นสื่อที่นำเสนอข่าวในเชิงลบมากนะเหมือนที่เขาคุยกันว่าข่าวดีน้าในข่าวจันไรน่าหนึ่งหรือข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีต้องเสียตังค์ก็เห็นคุณแม่เอาสื่อมารับใช้งานพระพุทธศาสนา อาตมาภาพชื่นชมมากก็เลยโทรศัพท์มาแสดงความยินดีแล้วก็เห็นคนอื่นเขาบริจาคสร้างสวิการศึกษาไะไรกันเยอะแยะมากมายอาตมาภาพก็คิดว่าก็อยากช่วยคุณแม่แต่โดยส่วนตัวเนี้ถือว่าไม่ไม่มีเงินนะมีมีเงินนี่แต่มันอยู่ที่คนอื่นโดยส่วนตัวนี้ไม่มีนะก็เลยบอกคุณแม่ว่าอาตมาภาพเนี่ยคงช่วยในเรื่องทุนนั้นซับไม่ได้คือพระย่างอาตมาเนี่ยบอกตามทรงนอะ หาเงินลําบากมากเพราะทําอะไรนี่เดี๋ยวผิดนะแต่ถ้าเป็นพระเกจิอาจารย์นี่หาเงินง่ายลูงนี้เลือกเป็นพระเกจิอาจารย์ก็ดีจะได้เสกโนนเสกนี่ได้พอเราเลือกจะเสกคนนี่จะขอตังค์คนมาทําโครงการดินต้องมีเหตุผลที่ดีใช่ไหมก็เลยบอกคุณแม่ว่าเอางี้ดีกว่าตามาเนี่ช่วยเรื่องเงินได้ไม่นะ่ไม่มากหรอกตามาภาพช่วยเรื่องความร่วมมือคุณแม่อยากให้ตามาภาพช่วยอะไรบอกมาเลยคุณแม่ก็บอกว่า ดีเหลือเกินให้พระอาจารย์มาสอนสอนเรื่องวิธีคิดนี่แหละก็เป็นวิชาที่ตรรมะสอนอยู่ที่โมโจรรยด้วยนะคือวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาว่าด้วยการมองปัญหาแบบพุทธแต่ธรมภาพก็ตั้งชื่อวิชาสมัยว่าศักยภาพของความคิดก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อในการเสวนาวันนี้ด้วยและพระป่าความร่วมมือก็คือธรรมภาพเองเห็นคุณแม่ทํางานแล้วอยากให้กําลังใจ เราจะให้กำลังใจผ่านโทรศัพท์ก็ได้แต่สมาภาพคิดแล้าบางทีแล้วเนี่ยเรารักแล้วต้องแสดงออกด้วยนะก็อยากจะแสดงออกสักสักสองสามหมืน่นนะก็เลยบอกคุณแม่ว่าเอาวันนี้เราไม่ชูเรื่องเงินเพราะเงินก็คงไม่มากแต่เราชูเรื่องอะไรเรื่องกำลังใจและเรื่องความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างนักบวช ด, ด้วยกันทำไมต้องพ่ออยากชูเรื่องนี้ เพในเมืองไทยของเราเองนี้บางทีเรายังข้ามไม่พ้นเรื่องลัทธินิยายหรือเพศสภาวะและท่านคงจะยังจําได้เมื่อห้าปีที่แล้วมีมิสตรีคนหนึ่งเป็นนักวิชาการไปบวชกลับมาก็เป็นข่าวอื้อเอิกันทั้งสังคมไทยถึงขนาดเสนอให้สังขยาณาใหม่ทีเดียวเพราะฉะนั้นเมืองไทยนี้ก็พูดได้เลยว่าอ่อนไหวมากในเรื่องผู้หญิงที่จะมาทํางานทางพระศาสนาคุณแม่ของเรานี้ท่านเป็นแม่ชีที่ทําให้แม่ชีจํานวนมากในประเทศไทย ลุกออกมาจากก้นครัวได้สำเร็จนะอาจร์มาเขอยู่ตรงนี้มา22ปีอาจารย์มารู้ว่าสถานภาพแม่ชีไทยเป็นยังไงคือแม่ชีนี้คนจะคาดหวังน้อยคืออกหักหลักลอยคอยงานสังขานโสมไปเป็นแม่ชีแล้วพอไปเป็นแม่ชีแล้วให้ทำอะไรทำครัวเข้าครัวนะเป็นกุลีทั้งๆ ท, งที่มีแม่ชีเก่งๆ เ, เยอะมากเดี๋ยวนี้มีแม่ชีจบป ร, ริญญาทก้าประโยคทุกปี แต่ถามว่ามีเวทีให้ทำงานไหมน้อยมากต่อมาพอคุณแม่ลุกขึ้นมาทำงานตรงนี้ตอนนี้ตอนที่สังคมไทยกำลังรู้สึกตัวแล้วนะว่าคุณแม่ของเรามีประโยชน์ต่อสังคมไทยมากรู้ไหมว่าคนที่ถวายรางวัลก่อนคือใครต่างประเทศต่างประเทศเขายกย่องมาก่อนแล้วเมืองไทยเราถึงจะยกย่องตามอาจจะเพิ่มคิดว่าจะมาภาพเป็นนักบวชผู้ชายต้นทุนทางสังคมนั้นสูงอยู่แล้วนะคือเป็นผู้ชายก็ได้บวชอยู่แล้ว จะขยับขยื่นไปทำอะไรก็จะง่ายกว่าคุณแม่มากทีนี้ทั้งๆ ท, ที่เรามีกำแพงแห่งอัคติหนาขนาดนี้แต่คุณแม่ก็ฝ่าฟันมาจนหน้าเวลานี้เราพูดได้เลยว่าคุณแม่เนะี่ยเป็นบุคคลสาธารณะของประเทศไทยเสียงของคุณแม่เป็นเสียงที่คนจานวนมากนะสำเนียกที่จะฟังเมือนเราไปร่วมกันทอดผ้าป่าความรุนแรงนะขอบริจาคขอบินถบัตรความรุนแรงแม้กระทั่งซีเอนก็เอาไปรายงาน เพราะฉะนั้นมีมีแต่คนทั้งโลกที่ตระหนักอยากจะฟังเสียงของผู้หญิงที่เพี่ยมด้วยสติปัญญาอาตมาครับเองอยากจะให้กําลังใจคุณแม่ว่าก้าวที่คุณแม่แก้าวมาและจะ ก, ก้าวต่อไปเนี่ยมันเป็นก้าวที่ประเสริฐมากถ้าเราก้าวข้ามอาคติเรื่องเพศภาวพไม่ติดว่านี่นักบวชชานี่นักบวชหญิงนะแล้วเรามาบินรวมกันฮะเป็นสองปีของโกอินทรีย์ตัวเดียวกันที่ชื่อพุทธศาสนาทีนี้เราจะบินได้สูงพอบินได้สูงก็มองได้ไกล ในเมื่อต่างฝ่ายด่งก็เป็นนกอินทรีย์แล้วมาบินรวมกันอะทีนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้อ่านนิสส่งพราะโลกนี้ทั้งโลกได้อ่านนิสส่งเพราะคุณแม่ตระเวนนาภาวนาไปทั่วโลกแม้กระทั่งในเวทียูเอ็ซึ่งปะกะติเข า, เาไว้ถกการเมือง้วคุณแม่พาคนนวดหลังกันเฉยเลยนี่คือสิ่งซึ่งน่ารักมากแล้วพูดได้เลยว่ามีคนไทยไม่กี่คนที่สามารถขึ้นไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นโดยที่ไม่ใช้สถานภาพทางการเมืองแต่เขาให้เวลาเป็นชั่วโมงทําได้ยังไง ก็ทํางานการขนาดนี้ถ้าเราไม่ให้กําลังใจนี้ก็เรียกว่าใจเฉื่อยใจดำมากเลยนะเพราะฉะนั้นธรรมภาพอยากให้กําลังใจคนแม่ถามตัวเองว่าเรามีอะไรเราก็ไม่มีเงินดอกแต่ว่าเรามีอะไรมีต้นทุนทางสังคมที่ธรรมามีอยู่คือธรรมภาพเป็นพระภิกษุที่ทํางานทางสังคมอยู่แล้วแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ทํางานเพื่อสังคมอยู่แล้วมีสถาบันธตรมภาพที่จัดการศึกษาทางเลือกอยู่แล้วตอนนี้ก็เปิดสอนนะเปิดสอนคอร์สการจัดการ สอนมาได้สองคอร์สแล้วนะก็เอาศักยภาพที่เรามีทั้งหมดนี่นะเอ้าคุณแม่อัตมภาพมีศักยภาพต้นเนี้อนะต้นทุนทางสังคมนะลูกศิษย์ลูกหานะภูมิธรรมภูมิปัญญาที่อัตมภาพทําอยู่ในมจรอ่ะนะสถาบันของอัตมานะอัตมภาพเอามสายพานมาก่องให้คุณแม่เลยคุณแม่อยากใช้ส่วนไหนของอัตมาอยากาตัวอัตมาไปนะเอาภูมิปัญญาไปเอาลูกศิษย์ลูกหาไปเอาทีมทํางานไปเอาต้นทุนทางสังคมไป แล้วเราเอามากองรวมกันเป็นผ้าป่าความร่วมมือ น, นี่จากนี้เป็นต้นไปก็เรียกว่านุอินทรีย์ที่ชื่อพุทธศาสนาจะบินด้วยสองปีกคือบินด้วยนักบวชผู้ชายและนักบวชผู้หญิงแต่ถ้าเราแยกกันทํางานต่างคนตต่างแยกกันทําแต่เวลาคนก็มีความทุกข์เขาไม่ได้แยกกันเข้าหาเฉพาะนักบวชผู้ชายนะใครเป็นสาร ะ, ะคนก็เข้าหาเหมือนกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าในบองภายนี้ถ้าเราก้าวข้ามเรื่องมายาคติเรื่อง คนนี้ไม่ชีคนนี้พระสงฆ์คนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงไม่ชีกับพระสงฆ์นะสิ่งนี้เป็นสมมุติเป็นสิ่งสมมุติโดยเนื้อหาสาระคือเนี่ยคนนั่นนะคนนั่นนะคนเนี่ยคนคนนึงหมดเลยโดยเนื้อหาสาระเราเป็นคนทั้งหมดเรามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เท่ากันถ้าเราก้าวข้ามสมมุติได้นะพลังที่ถูกกดถูกบีบเอาไว้นะ ถูกปล่อยออกมาทีนี้ดอกไม้แห่งคุณงามความดีนี้มันจะบานทั่วประเทศไทยเลยทุกวันนี้มีพระสงฆ์จำนวนมากมีแม่ชีจำนวนมากที่มีพลังที่เรียนจบมีการศึกษาสูงมีความรู้มีความประพฤติดีนะแต่ท่านเติบโตอยู่ในกระถางบางทีนอกจากอยู่ในกระถางแล้วเนะือนอกจากกระถางแล้วเนะี่ยก็มี ม, มีมีเหล็กนะมีลวดมาขดหุ้มไว้อีกทีนึง อาตมาเค ย, <c oughs> เ, คยเคยนั่งรถไปตามเมืองใหญ่ๆนะไปเห็นสองข้างทางเขาปลูกเฟื่องฟ้าเอาไว้นะแล้วก็มีเหล็กดัดแล้วให้เฟื่องฟ้ามันเลื้อยไปได้แค่นี้พอมันเลื้อยออกมาเกินเกินเหล็กดัดตัดมันทิ้ครั้งหนึ่งอาตมาภาพไปที่พิศนุโลกเอ๊ะทําไมเฟื่องฟ้าที่นี่มันยาวจากตรงนี้ไปไปสุดที่โน่นยาวเป็นกิโลเมตรเลยทําไมมันยาวเกินบ้านเกินเมืองอาตมาถามมันอาตมาภาพไม่เคยเห็นเฟื่องฟ้าที่ไหนยาวขนาดนี้เขาก็บอกว่าที่นี่เราไม่ตัดค่ะ เราปล่อยให้ยาวไปสุดหัวถนนเลยนี้คือศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่เพราะฉะนั้นนักบวชชายนักบวชหญิงคนไทยซึ่งเป็นทั้งผู้ชายที่เป็นทั้งผู้หญิงถ้าเราก้าวข้ามสมมุติที่เรียกว่าเพศภาวะได้ศักยภาพของเราที่ถูกกดถูกดิบถูกอัดอยู่นะพอก้าวข้ามตัวนั้นได้มันปลีบานได้ในลักษณะที่เรียกกันได้เลยว่าไม่มีขีดจํากัดคำาัพทศักยภาพเป็นคําที่สําคัญมาก ครั้งหนึ่งพระอานนท์ไปไปทูลขอพระพุทธเจ้าให้ผู้หญิงได้บวชครั้งที่หนึ่งก็ไม่ให้บวชครั้งที่สองพระอานนท์ก็อ้างบุญอ้างคุณเลยข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระน้านางประชาบดีโคตเีนั้นเป็นถึงพระแม่นางในพระองค์นะไม่ให้บวชนี่คนเขาเจอตำหนิเอาได้นะพระเจ้าก็ยืนกรานพระอานนท์บวชไม่ได้พระอานนท์กลับออกไปเห็นพระน้านาง ทรงพระกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูตัวดํากระมมกระเมมสงสารเหลือเกินพระอนนท์นี้เป็นผู้ที่นักบวชหญิงทั่วโลกเคารพมากเพราะท่านทํำนั้นที่เป็นพระธรรมบ ท, ทเป็นเป็นมือประสานสิบทิศไปคุยกับพระแม่นาว่าก็บอกว่าพระองค์ไม่ต้องกังวล น, นะอนตมาภาพจะทําให้ถึงที่สุดปัญหาของพระอนนท์เนี่ยนะคือท่านไปตั้งโจทย์กับพระพุทธเจ้าผิดพระพุทธองค์ของเรานั้นท่านทรงแม่นประเด็นมากถ้าใครตั้งโจอผิดนะั้นไม่ตอบเลย บางทีไปถามปัญหาพระองค์ท่านเป็นชั่วโมงท่านนิ่งเช่นตายแล้วไปไหนนี่พระองค์นิ่งเลยนะนี่เรียกว่าตั้งโจทย์ไม่เป็นพระอนอนท์ตั้งโจทย์สองครั้งก็ไปหาพระพุทธบอกขอให้ผู้หญิงได้บทไม่ได้อนอนท์เพราะแดดดินขาดให้บทไม่ได้ครั้งที่สามพระอนอนท์เข้าไปที่นี่ไม่ขอนะพระอนอนท์เกิดการเรียนรู้แล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้หญิงเนี่ยมีศักยภาพในการจะบรรลุธรรมได้เหมือนผู้ชายไม่พระพุทธเจ้าค่ะ ทำไมจะไม่ได้อานนท์เห็นไหมเข้าทางเลยนะเนี่ยพอพระพุทธองค์บอกว่าได้พระอานนท์ก็บอกก็แล้วถ้าเช่นนั้นทําไมไม่ให้พระแม่น้านางบวช่ะเออนั่นสิอานนท์ <c oughs> ทีนี้ได้บวชเลย <c oughs> เห็นไหมพอพระพุทธองค์เปิดเวทีทางศาสนาให้กับพระแม่น้าของพระองค์ได้บวชนับแต่นั้นผู้หญิงทั่วโลกได้รับอนิสงส์สตรีทั่วทั้งโลกที่อยากบวชได้มาบวชในพระพุทธศาสนา ศักยภาพในการบรรลุ ธ, ธรรมซึ่งมีอยู่แล้วในสตรีพอๆกับผู้ชายก็ผลิบานกันเต็มแผ่นดินเห็นไหมว่าคําว่าศักยภาพสําคัญขนาดไหนตัวคุณแม่เองมีศักยภาพมากมายมากกว่าธรรมภาพไม่รู้กี่เท่าธรรมภาพนั้นก็มีศักยภาพอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ถ้ามันแยกกันอยู่คนละกองเนี่ยนะมันมันเหมือนออ้ยกองโน้นนะภกเขาไฟฟูจิ <c oughs> กองนี้ภูเขาหิมาลัย ถ้าจะไปทีหนึ่งนะต้องไปทีละประเทศแต่ถ้าเราเอาภูเขาไฟฟูจิภูเขาหิมาลายมาวางไว้ใกล้กันมาที่เดียวเจอทั้งคู่เห็นไหมเปลืองฟิล์มน้อยลงก็บินมาทีเดียวก็ถ่ายรูปได้ทั้งสองแห่งนี่อุปมาให้เห็นเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเราก้าวข้ามมายาคติที่เรียกว่าเพศสภาวะในสังคมไทยแล้วมาร่วมมือกันทํางานเราก็จะเหมือนนกอินทรีสองตัวที่มาบินรวมกันเป็นฝูง เหมือนภูเขาฮิมาลายกับภูเขาไฟฟูจิซึ่งต่างก็มีความโดดเด่นในตัวองอยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันจากนี้เป็นต้นไปเราก็ขยับขยื่นไปทําอะไรได้มากมายมหาศาลนี่แหละคำว่าป่าป่าความร่วมมือก็คือต่างคนต่างเอาศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่มากองรวมกันสองรวมกันเป็นหนึ่งจากนั้นเราจับมือกันก้าวออกไปในเวทีโลกทําอะไรให้กับมนุษยชาตินี่ก็เป็นที่มานะคะจะเห็นว่า บทสรุปของท่านอาจารย์ที่บอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งคำตอบไม่ใช่แค่เพียงสองแต่หนึ่งบวกหนึ่งคือพลังอมหาศาลและท่านอาจารย์พระต้องบอกว่าพระเทรานุเทราผู้ใหญ่ของเราที่สิ้นไปแล้วรูปหนึ่งคือหลวงพ่อพุทธทาสได้เคยพูดคำนี้กับคุณแม่นะท่านเคยตั้งคำถามเลยบอกว่าในท่านก็จะนั่งอ้นวนๆท่านจะทำท่าอย่างเี้ยเสมอเวลาเราเข้าไปถวายตอบ การทํางานท่านก็จะพูดว่าอเอาเก้าอี้มาให้คุณสนิทนั่งคุณทาอะไรที่กรุงเทพคุณเล่าไปซิท่านพูดอย่างนี้เลยนะคะแม่เนี่ยเป็นโอกาสที่เป็นผู้หญิงในรุ่นแทบจะเรียกว่ารุ่นสุดท้ายที่ท่านอาจารย์ได้ให้ให้เหมือนกับกําลังใจนะคะแล้วแล้วท่านก็บอกว่าเออตอบซิหนึ่งบวกหนึ่งคำตอบเท่าไหร่แม่ก็รู้แล้วละ่ะว่าถ้าแม่ตอบอะไรคงตอบไม่ได้ถูกทั้งหมดของท่านอาจารย์หรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้ตอบนะคะ แล้วเราก็ตอบอย่างที่เราตอบแหละก็คือหนึ่งบวกหนึ่งก็สองสิเจ้าคา่ะท่านก็บอกถูกแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมดหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยคือพลังท่านพูดเลยนะคะคือพลังมันมากมายมหาศาลเลยถ้าคนหนึ่งคนมีศักยภาพนี่คุณแม่ขยายผลบวกกับอีกคนหนึ่งคนที่ก็มีศักยภาพในการที่จะถ่อมตนลงไปเพื่อรับใช้ผู้อื่นเราก็จะใช้ธรรมะเป็นเหมือนแบบฝึกหัดที่จะทําให้เราเนี่ยรู้ว่า ถ้าเราศึกษาทำรู้ทำอันเป็นเครื่องที่จะทําให้เราออกจากความทุกข์ได้แล้วเนี่ยธรรมะก็จะเยียวยาสังคมได้ซึ่งแม่คิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสําคัญในวันนี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องพระป่าความร่วมมือนะคะแล้วก็เป็นความร่วมมืออย่างที่ไม่บอกว่าใครร่วมมือกับใครก็ได้แต่เป็นความร่วมมือของคนทุกคนที่จะทํางานให้ใหญ่เพราะไร้ตัวตนให้มากที่สุดซึ่งอันนี้ก็เป็นความ เป็นความดําริของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นทั้งบุตรและธิดาของพระองค์สําหรับแม่เนี่ยแม่ก็ถือว่าแม่เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าสาวกสาว ก, สา ว, ก, ส, าวกสาวิกานะคะซึ่งก็มีส่วนที่จะเป็นสุปฏิปันโนได้ถ้าเราใช้หนทางในการดําเนินอยู่บนมัคคายแห่งการตื่นมีมัคคจิตมัคคภาวนาแล้วแม่ก็มองเนี่ยสายตาแม่มองออกไปเนคนรุ่นใหม่ เกือบจะแบบ 80% แล้วก็มีอาจจะไม่ใช่คนรุ่นเก่าแต่ว่าเป็นคนที่อายุมากแต่ใจยังรู้ตื่นระเบิกบานที่อยากจะช่วยสังคมนั่งอยู่กับเรามากทีเดียวที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้นี่ก็เห็นว่าเป็นการมาในพลังบวกกันครั้งนี้ซึ่งแม่ก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าใครมาจากไหนอย่างไรแต่ที่แม่รู้ว่าวันนี้ที่เรามาอยู่ที่ตรงนี้อย่างน้อยเรามีใจที่จะมาบวกกัน ธรรมะมันก็ควรจะบวกนะเพราะท่านชจ้คุณอาจารย์พุทธทาสบอกว่าถ้าหนึ่งลบหนึ่งแล้วตอบสิถ้าไม่ได้พูดประโยคเดียวว่าบวกแล้วมันมหาสาลท่านก็ถามแบบถามเด็กโง่ๆอย่างเราอีกว่าแล้วหนึ่งลบหนึ่ง่ะคราวนี้คุณแม่ก็แม่นขึ้นแม่บอกศูนย์ศูนเสียถ้าหนึ่งลบหนึ่งเนี่ยเกิดการหักล้างเมื่อไหร่ศูนเสียทันทีศูเสียพลังเลย ถ้าเราไม่มีความสามัคคีทําเมื่อไหร่เราจะดอบลงทันทีเลยเพราะฉะนั้นอย่าขัดแยง้งความขัดแย้งจะทําให้เราไม่มีพลังมันคือการสูญเสียท่านพูดประโยคนี้เลยนะคะนี่วันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมาอยู่กันหลายคนเพื่อที่จะให้เวทีของเราเข้าไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องศักยภาพของความคิดวันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้มุ่งหวังที่เรื่องปัจจัยภายนอกแต่ว่าถ้าอาจารย์พูดไว้ถูกมากเลยเรื่องกําลังใจ สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ดูเหมือนจะขาดกำลังใจแล้วมีความรู้สึกว่าสังคมมันหวาดระแวงมันมาจากคิดอะไรหรอคิดถูกคิดผิดคิดยังไงเราเป็นชาวพุทธเราควรคิดยังไงในสถานการณ์อย่างนี้แล้วเราควรอยู่อย่างไรอย่างคนที่รู้ทันคิดแล้วไม่หลงคิดเพื่อให้เราได้มีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพภายในตัวเรา เพื่อที่จะอย่างรับใช้มวลมนุษยชาติและสรรพชีวิตอื่นๆต่อไปเจ้าค่ะก่อนอื่นเราต้องมาดูความสําคัญของความคิดคือทุกคนทุกคนเกิดมาเนี่ยคิดได้อยู่แล้วละ่ะความสามารถที่จะคิดได้นี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดของจิตนะครัคนทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือจิตแต่ละดวงจิตแต่ละดวงนี้มีศักยภาพที่จะคิดคำว่าจิตนี่แปลว่าคิดก็ได้แปลว่าวิจิตคือสวยงามก็ได้ แปล ว, ว่าปาฏิหาริย์ก็ได้เพราะฉะนั้นจิตกับความคิดนี่นก็คือตัวเดียวกันคนทุกคนเกิดมาก็คิดได้แต่มีบางคนเท่านั้นที่คิดเป็นคิดได้คือคิดอะไรก็ได้แต่คิดเป็นมันต้องมีหลักวิชาหรือมีวิธีการพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าคนในโลกนี้มีสามประเภทหนึ่ง ต่อให้พบพระพุทธเจ้าหรือไม่พบพระพุทธเจ้าเขาก็ได้บรรลุธรรสองพบพระพุทธเจ้าจริงได้บรรลุไม่พบไม่บรรลุสามพบก็ไม่บรรลุได้พบก็ไม่บรรลุก็มีสามประเภทประเภทที่หนึ่งนี่ก็คือไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเลยอยู่ไปใช้ชีวิตตายเห็นใบไม้ปิดปลิวจะขั้วหล่นลงมาตกลงสู่ผืนเดิน โอ้ชีวิตไม่เที่ยงบรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าคนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนระดับมหาบุรุษคือเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงได้หมดกิเลสได้โดยไม่ต้องพึ่งกัละยาะณมิตรอย่างพระพุทธเจ้าขับรถไปตามท้องถนนจู่ๆมีรถปาดหน้าชนกันโครมตั้งแต่นั้นมาบอกตัวเองว่านี่รถมันชนกันให้เราดูนะยังไม่ได้ชน ชนรถของเราโดยตรงเราไม่เมาก็จริงแต่ถ้าคนอื่นเมาเรามีเสียดได้รั่ผลกระทบด้วยโอ้เมาแล้วขับมันอันตรายขนาดนี้จากนี้ไอต้นไปฉันจะเลิกเหล้าคือรู้จักคิดนะจากการเห็นปรากฏการรอบตัวแล้วคิดเป็นแล้วก็บรรลุทำเห็นทำคนอย่างนี้เรียกว่าคนระดับมหาบุรุษคนนุกคนมีมีศักยภาพในการที่จะคิด แต่คนส่วนใหญ่จะคิดเป็นก็ต่อเมื่อได้อาศัยกัลยาณมิตรคือมีคนมาคอยช่วยคิดเราเรียกว่ากัลยาณมิตรมิตรมีสามมิตรนะหนึ่งปาปะมิตรนะคนที่เราเป็นคบแล้วคนที่เราไปนั่งใกล้แล้วเราไม่เคยชั่วเลยเนี่ยเขาจะถ่ายโอนความชั่วให้เราเราไม่เคยแย่เลยพอเป็นนั่งใกล้ปุ๊บเราจะแย่เลยเราไม่เคยง่วงเลยพอเป็นนั่งใกล้คนนี้ปุ๊บมันพานเราง่วงล เราเนื่องหลังตรงอยู่ดีๆนะพอเราเป็นนั่งใกล้คนนี้มันหอแหม่นะฮะอย่างเงี้ยนะหมายความว่าคนที่เราครบแล้วชีวิตเราตกต่ําลงอันนั้นคือปาปะเม็ดสองคนที่เราครบแล้วชีวิตของเราดีขึ้นทันตาเห็นเหมือนพระจันทร์ในคืนขึ้นขึ้นสว่างเรืองขึ้นไปสว่างเรืองขึ้นไปจนในที่สุดพระจันทร์เต็มดวงสว่างเรืองเต็มนภาอากาศคนที่ครบแล้วชีวิตดีขึ้นอันนี้กัลยาณมเม็ดและสาม คนที่ครบแล้วผลประโยชน์ลงตัวแนละดีต่อการเหลือเกินเอากันเป็นพี่เป็นน้องคุณน้องขาคุณพี่ขาไม่ต้องห่วงนะคะมื่อนี้พี่เลี้ยงคขานะแล้วก็ทําธุรกิจด้วยกันอะไรก็ดีหมดแต่วันหนึ่งมีการหักหลังกันเกิดขึ้นวันพระไม่ได้มีคนเดียวแล้วก็ย้อนกลับมาเล่นงานกันอันนี้เรียกว่าพันธมิตร <laughs> พันธมิตรท่านขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถูกด่าหรอกไม่เป็นปัญหาพันธมิตรก็คือเพื่อนที่ผูกพันกันด้วยผลประโยชน์คนทั่วๆ่วไปจะมีศักยภาพในการคิดเป็นก็แต่เมื่อได้พบกับการยาณมิตรแต่คนระดับมหาบุรุษต่อให้ไม่มีการยานามิตรก็คิดด้วยตัวเองเป็นเราทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นบุคคลในระดับบุคคลทั่วๆ่วไป แต่แม่แน่นะหลายคนอาจจะเป็นมหาบุรุษก็ได้แต่ยังไม่ไม่ได้แสดงตัวนะลองไปดูคนที่บ้านอย่างเนี่ยวันนี้ฉันจะไปเสถียรธรรมสถานเออไปเหอะพ่อไปไหมคะไปเหอะชวนไม่เคยมาเลยคนอย่างนี้บางทีอาจจะเป็นมหาบุรุษนะเขาคิดเองได้<笑><笑>ฝากไปฝากไปแซลเลยนะนี่ชวนไม่เคยมาเลยเนี้ยแสดงว่าเป็นมหาบุรุษใช่ไหม กือมหาบุรุษนี้ไม่ง้อกัญญาณมิตรคิดเองเป็นเพราะฉะนั้นศักยภาพที่จะคิดนั้นทุกคนมีอยู่แล้วแต่คนที่จะคิดเป็นนั้นมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้นถ้าเปรียบเป็นน้ําแข็งที่อยู่ในแก้วก็คือหนึ่งส่วนสิบ ท, ที่โผลมาแล้วก็เก้าส่วนนั้น่ะจมอยู่ในแก้วคนระดับมหาบุรุษที่คิดเองเป็ น, น, นมีนิดเดียวส่วนคนที่จะคิดเป็นอย่างเราเราทั้งหลายก็ต้องอาศัยกัญยาณมิตร กัลยะาณมิตรทีนี้พอมีกัลยะาณมิตรเช่นมีคุณแม่มีพระอาจารย์มีครูบาอาจารย์มีตำรับตารามีพระตรัยปีดกหมดแล้วอ่านแล้วฟังแล้วศึกษาแล้วไอ้ชีวิตไม่เห็นดีขึ้นเลยกัลยะาณมิตรมีแล้วนะแต่ทํำไมชีวิตคุณไม่เปลี่ยนคุณมาลงทะเบียนเรียนที่นี่รุ่นแรกของสาวิกาสิขาไหลกละว่าจบไปเป็นพระสวสดาบัณฑ์ว่จบไปแล้วก็ยังไม่ก้าไปข้างหน้า ครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์สุรีอย่างนี้อาจารย์คุณหญิงหมออย่างนี้อาจารย์สุรีนี่เป็นอาจารย์ของอาตามาอีกทีหนึ่งนะสอนดีมากขนาดอาตามาเขียนกรอนให้ท่านในไว้ในหนังสือชื่อธรรมะคราใจเลยนะสอนดีมากทำไมเรามีกัลยาณมิตรแต่เรายังคิดไม่ได้ก็เพราะเราขาดทักษะในการคิดไนงะขอยกตัวอย่างคนคนหนึ่งชื่อด็ตอร์สมยัย ต้องเลอดสมทัยนี่ถ้าจำชื่อผิดต้องขออภัยนะเพิ่งออรายการเจาะใจไปเร็วๆนี้จบแค่ชั้นมัธยมต้นแล้วก็อยากเป็นพ่อค้าทำมาหากินทุกรูปแบบไม่รวยจนท้อกับชีวิตฟังให้ดีในะเรื่องนี้มีจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ท้อกับชีวิตมากวันหนึ่งไปกราบพระพุทธชินราชที่วัดพระมหาธาตุที่พิษณุโลกกราบเสร็จแล้วก็ขอเดชะคุณพระคุณเจ้า ลูกสู้มาจนไม่มีทางไปแล้วทําเนียบลูกก็ไม่มีลูกสู้มาจนหมดทางถอยหลวงพ่อช่วยโดนใจให้ลูกค้นพบทางรอดได้ไหมกราบพระพุทธชิน ร, ราชเสร็จกลับออกมานั่งหน้าบสซื้อโอเลี้ยงมานั่งจิตสังพังหนึ่งมีมีคุณลุงสูงอายุคนหนึ่งปั่นซาเล้งผ่านมาตรงนั้น ปั่นเล่งผ่านมาแล้วก็มาซื้อโอเลี้ยงในจุดเดียวกันแกเห็นว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาคุณลุงคนนี้เนะ่มันสดชื่นนะแต่ดูสภาพการแต่งกายของแกนี่มันมอมแมมกระดมกระด่างแล้วเกินแต่ทําไมดูสีหน้าหน้าทางแกมีความสุขไม่เหมือนกับเราที่ใ ส, ส่สูตรผูกนี้วท้ายแต่ทําไมเราไม่มีความสุขเขาช่างสังเกตนะสังเกตให้ดีนะคนคิดเป็นมาแล้วนะเขาช่างสังเกตนะเอ๊ะทาไมสีหน้าหน้าทางมั น, มนตรงกันข้ามกับการแต่งตัว ก็เดินก็ไปถามลุงลุงทํามาหากินอะไรลุงก็ขายขยะโอ้ยอย่าถามเลยใครๆเขาดูเกียดลุงนเสื้อลุงเหม็นนะดมดูสิเหม็นจริงนะขายขยะถูกดูถูกดูแคลนมากแล้วแกก็ถามลุงลุงได้วันเท่าไหร่ก็มันแล้วแต่วันน่ะคุณอย่างวันเนี้ยอ่ลุงได้เท่าไหร่วันนี้ลุงก็ได้ประมาณสามพันแล้วเมื่อวานลุงได้เท่าไหร่เมื่อวานงานไม่ข่าว่าได้สองพัน ไม่จังําสุดลุงได้เท่าไหร่ตาสุดก็ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยลุงทามาคี่ปีก็ประมาณสิบปีลุงรวยไหมก็ลูกชายของลุงคนโตตัวนี้เรียนอยู่ที่อเมริกาคนเล็กเพิ่งจบป ร, ริญญาตรีขายขยะเนี่ยลุงก็ขายขยะเนี่ยแล้วลุงช่วยกันกี่คนก็คนเดียวคันเดียวเนี่ยขอบคุณครับลุงกลับบ้าน ขอยืมเงินพ่อสองหมืนไปดาวรถกระบะเก่าๆมาหนึ่งคันเงินสดอีกก็หนึ่งวันรุ่งขึ้นเอารถกระบะไปจอดที่โพลเขาขยะภายในสองเดือนผู้ชายคนนี้ซื้อรถใหม่ป้ายแดงไปให้พ่อหนึ่งคันแค่เล่าว่าวันแรกที่ไปบอกพ่อนะว่าลูกพ่อลูกยืมเงินไปดาวรถลูกจะขายขยะพ่อกับแม่ประกาศว่าถ้าแกจะขายขยะเพื่อหากินนะ แกไปเปลี่ยนนามตรกุลตระกูลเราไม่เคยมีใครทําอาชีพต่ําขนาดนี้แล้วแกอยากเข้าบ้านเราผู้ใจคนนี้หายไปสองเดือนกลับมาพร้อมรถใหม่อีกคันหนึ่งแล้วก็บอกว่าพ่อผมว่าบ้านพ่อมันเก่าแล้วผมจะสร้างให้ใหม่เฮ้ยแกไปขำมวยไปฉก ช, ชิงวิ่งราวใครมาหรือปไปขายยาเสพติดหรือเปล่าพ่อไม่เชื่อผมใช่ไหมป่ะพ่อไปกับผมเมื่อขับรถพาพ่อไปดูแกทํางานที่กองขยะพวกเขาขยะ แกจ้างคนประมาณ2ี่สิบคนค้นขยะและแกซื้อตรงขายตรงกันตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไปปล่อยขายในบริษัทที่รั บ, บรีไซเคิลขยะในเวลานี้ผู้ชายคนนี้เป็นคนกำหนดราคาเหล็กในเอเชียที่เป็นเศษขยะนะและเอเชียาคาเนนียมีบริษัทของแกเข้าไปตั้งและรับซื้อขยะทุกประเทศเลยตอนนี้มีสาขาอยู่เกือบทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยในกัมพูชาใน ในเวียดนามในในมาเลเซียในพมา่าในลาวมีบริษัทแกเข้าไปตั้งอยู่แล้วก็รับซื้อขยะมีคนงานอยู่เป็นหลักหมื่นคนแกเล่าให้ต่อไปว่าหลังจากนั้นพ่อก็ยอมรับแกเป็นลูกเหมือนเดิมแล้วเร็วๆนี้แกก็ได้รับการมอบปริญญาดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักดิ์แกบอกมันยิ่งใหญ่มากวันหนึ่งแกซื้อประกาธรรมดาธรรมดาประกาปลอมแลแต่ด้ามทอง มีคนมาขอดูว่าของคุณรวยขนาดนี้เลยเนอะแกบอกว่าคนเราเนี่ยพอพอไม่มีเงินเอาของจริงมาใส่คนหาว่าใส่ของปลอมพอมีเงินมีทองเอาของปลอมมาใส่คนบอกว่ามันของดีแล้วมีนักข่าวไปสัรภาษณ์แกว่าคําว่ามหาวิทยาลัยในทัศนะของคุณคืออะไรแกถามว่าอะไรนะคําว่ามหาวิทยาลัยในทัศนะของด็อตอร์คืออะไรครับด็ออร์ก็ตอบคําว่ามหาวิทยาลัยในทัศนะของผม มีความหมายเท่ากับคำว่ามาหาอะไรพวกเวลาใครเจอแกจะ เ, เจอแกตามกองขยะไงเขาจะถามแกว่ามาหาอะไรแกก็ม <c ười> ีชีให้ดูตามกองขยะแกบอกว่าไม่มีขยะอยู่ในนี้มีแต่ทองทุกวันนี้ผู้ชายคนนี้ก็เรียกว่ามีเงินในระดับเรียกกันว่าร้อยล้านพันล้านเป็นนักธุรกิจใหญ่แล้วก็ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ถ้ายอยพาเรดเข้าไปกระดับเกียรติยศให้แก่ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อาศัยกัลยาทนเม็ดคือใครคือผู้ชายคนที่ขับซาเล้งขาย ข, ายของเก่าคนนั้นและแกมีอะไรแกมีศักยภาพของความคิดคือมีโยนิโสโวมันสีการภายในคนปั่นซาเล้งคนนั้นก็คงปั่นไปแล้วทั่วเมืองพิศณุโลกซื้อของเก่าแต่ไม่มีใครรวยเพราะแกนะมีแต่ดร์ดดสมเัยคนนี้รวยพเพราะแกเพราะอะไร แกเห็นแล้วแกมีศักยภาพในการใช้ความคิดศักยภาพในการใช้ความคิดจะเกิดขึ้นเมื่อมีคุณสมบัติสามประการหนึ่งมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรจะอวะตารมาในรูปร่างลักษณะแตกต่างหลากหลายมากบางทีวันนี้กัลยาณมิตรอาจจะมาในนามคุณหมอพรทิพย์ก็ได้บางทีวันนี้กัลยาณมิตรอาจจะมาในนามของคุณแม่ก็ได้บางทีวันนี้กัลยาณมิตรอาจจะมาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็ได้ บางทีวันนี้กัลยาณมิตรอาจจะมาในนามของแสงแดดที่สาดส่องรำไรลงมาร้อนปานหัวแตกกัลยาณมิตรเขาจะมาในลักษณะที่แตกต่างหลากหลายแต่ถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติประการที่สองกัลยาณมิตรต่อให้เป็นพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ตรงนี้คุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณสมบัติประการที่สองของคนที่จะคิดเป็นนะต้องสังเกตต้องช่างสังเกต สังเกตคือมีศักยภาพที่จะมองเห็นรายละเอียดในสิ่งธรรมดาที่คนทั่วไปไม่เห็นแต่เราเห็นนี่คือสังเกตเช่นถ้าเราดูต้นไม้กิ่งไม้ที่อยู่รอบๆ อ, อาคารหลังนี้จะสังเกตไม่โดยมากต้นไม้ทั้งหลายจะโน้มไปข้างนอกทั้งหมดเลยทําไมเขาโน้มถ้าอธิบายแบบสญญายศาสตร์ก็ต้องบอกว่าสงสัยมีวิญ ญ, ญาณสถิตอยู่ในนั้นแต่ถ้าอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าเขาโน้มออกไปเพราะไปรับแสงแดดมาสังเคราะห์ไง แต่คนไม่สังเกตจะไม่รู้แล้วก็จะตอบอะไรในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้ไม่ได้คุณสมทายเนี่แกสังเกตว่าทำไมแต่งตัวมอมแมมแต่สีหน้ามีความสุขสังเกตสองนี่คุณจะสมบัติประการที่สามแล้วนะสามคือสังกาสังกาคือ question คุณสังเกตคุณเห็นความผิดปกติแล้วนะแต่ถ้าคุณไม่เดินเข้าไปถามปัญญาจะมาไหมปัญญาไม่มาพอเดินเข้าไปถามเนี่ยลงุง ทำไมลุงดูมีความสุขจังเลยอะ่ะลุงทำมามหะกินอะไรลุงก็บอกขายของเก่าพอตั้งคำถามปัญญาเขาก็รอแสดงตัวต่อหน้าเราอยู่แล้วพระบริสษษษษษษษษัทธ์สิทธะเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสังเกตและสังกาโดยอาศัยกัลยาณมิตรคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเราเคยเห็นไ้ยคนแก่เคยเห็นไหมบางทีไม่เพียงแต่เห็นนะเราแก่เองเลยนะแต่ไม่ยอมรับ ยอมรับเรื่องอะไรฉันจะยอมรับว่าฉันแก่หน้าฉันต้องใส่เด้งเหมือนลูกชิ้น <c oughs> แขนย้อยเป็นรังเพิ่งไม่เป็นไรแต่หน้าต้องดูดีนี่นี่กัลายาณมิตรมาแล้วนะแต่เราไม่สังเกตฮะเราไม่สังเกตเราก็ไม่ได้ยิ่งไม่สังกายิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเจ้าชายศรีตถาก็ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะมาแล้วสังเกตว่าเอ๊ะทําไมต้องแก่มาต้องเจ็บมาไมต้องตายแล้วทำไมต้องออกบวช นี่สังเกตพอสังเกตปุ๊บเดินเข้าไปถามแต่พระองค์ท่านมีผู้ช่วยที่ดีคือชนะฉนะก็ทูลตอบทุกอย่างออที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอย่างนั้นสังเกตสังกาจะนำเราไปสู่วิธีคิดที่เป็นต้นทางของการคิดเชิงวิเคราะห์คือสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีก็เพราะสิ่งนี้ไม่มีการคิดเชิงวิเคราะห์เกิดขึ้นทันทีทันควนัถ้าคุณสังเกตและสังกา แต่ถ้าคุณไม่สังเกตและไม่สังกาเวลามีปัญหาแทนที่คุณจะคิดเชิงวิเคราะห์คุณจะหันไปสะเดาะเคราะห์นี่เห็นด้วยยังความคิดของเราเดินเป็นสายเพราะอะไรเพราะเราหนึ่งมีกัลยาณมิตรสองมีการสังเกตสามมีการสังกาพอมีกัลยาณมิตรมีสังเกตและมีสังกาวิธีคิดเชิงวิเคราะห์ก็จะตามมาและพอคิดเชิงวิเคราะห์เป็น ชีวิตของคุณจะเดินอยู่บนเส้นทางสายปัญญาตลอดชีวิตถ้าเราคิดเชิงวิเคราะห์เป็นพูดได้เลยว่าเทพทั้งหลายในเมืองไทยจะตกงานกันเป็นแถวเลยพทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีที่มาเสมอไม่มีปรากฏการใดๆเกิดขึ้นโดยไม่มีที่มาความคิดเชิงวิเคราะห์จะบอกเราอย่างนี้การคิดเชิงวิเคราะห์ในลักษณะใดๆในโลกล้วนเองอาศัยซึ่งกันและกันเสมอเนี่ยภาษาพราะเรียกว่าปัิจจสามบุบาท ปฏิจจสมุปบาทสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีก็เพราะสิ่งนี้ไม่มีคิดเชิงวิเคราะห์อย่างนี้เป็นถ้าเราไปหาพระพุทธเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอถึงพระองค์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าจะตอบกลับมานะว่าขอให้เธอถึงตัวเธอเป็นที่พึ่งเอ๊ะจะถึงตัวเองเป็นที่พึ่งแนละ้วต้องทำยังไงพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเธอไปคิดเชิงวิเคราะห์สิแค่นี้เอง วความคิดเชิงวิเคราะห์นี่พระพุทธเจ้าตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ใช่เรื่องจิ๊บจินะความคิดนี้นะไม่ใช่เรื่องจิ๊บจินะอันนี้คือความคิดเชิงวิเคราะห์เกิดขึ้นก็โดยวิธีการอย่างนี้ต่อไปไปดูพลังของความคิดพลังของความคิดเป็นไงครั้งหนึ่งเสื้อไอแซคนิวตันเสีงมากกับบรรยากาศการเรียนการสอนที่แสนจะอนุรักษนิยมเอาไปนอนอยู่ได้โ้นแอปเปลิลแอปเปลิลหล่นใส่หัวปุ๊ ลุกขึ้นมานั่งตั้งคำถามเอ๊ะทำไมมันหล่นแล้วมันไม่ลอยขึ้นไปข้างบนคิดนึงคิดถามพวกเราแอปเปลิลหล่นใส่หัวโอโหวิเดชบุญหวานจริงๆวันนี้นี่เนี่ยคนไทยมันเป็นอย่างนี้ฮใช่ไหมหัดคิดช่างวิเคราะห์สิครั้งหนึ่งอาจารมภพาพเคยอ่านชีวประวัติของนัสรูดินปราดของตะวันออกกลางนัสรูดินเป็นคนที่ช่างคิดช่างเคระห์มาก วันนึงแกไปนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงต้นใหญ่เบ้อเเลยนะห้าคนอบแล้วใต้ต้นมะม่วงก็จะมีเถาแตงโมเลื้อยอยู่ทั่วทวไปแตงโมงลูกใหญ่เท่าหัวคนเลยนะโอ้โหผลดอกออกผลงามข้างบนในมะม่วงก็กำลังสุกเรื่องนัสุรดินก็คิดชงวิเคราะห์เอ๊ะทําไมธรรมาชาติไม่ค่อยทําอะไรให้ส ม, มดุลเลยนะดูด้วยต้นมะม่วงต้นใหญ่เบ้อเลอแต่ผลนี่เดียวดูแตงโมสิเนี่ย เผาวันนี้เดี๋ยวแต่ลูกใหญ่เบือเรอธรรมชาตินี่ไม่มีสมดุลกำลังจะหลับมาม่วงโลนใส่หัวพุโอ้ตายแล้วเว้ยเออธรรมชาติมันสมดุลเว้ยถ้าเกิดธรรมชาติไม่สมดุล น, นะเอาลูกแตงโมขึ้นไปไว้ข้างบนหัวที่จะเหลืออะไรนะเนี่ยเออนี่ เพราะฉะนั้นแนะนำให้อ่านสี่ว่าบทของนั้นูุดยนะเขเป็นสุดยอดนักคิดชงวิเคราะห์และเขาจะคิดจงวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่ทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายสนุกสนานมากเห็นไหมถ้าเราคิดจงวิเคราะห์เป็นโอ้โหชีวิตเราเนี่ยนะทุกเรื่องทุกราวที่ประเดประดังผ่านเข้ามาเป็นครูใหญ่ทั้งหมดเลยความทุกข์กำลังสอนเราความสําเร็จกําลังสอนเราแสงแดดกําลังสอนเราความร้อนกําลังสอนเราความหิวกําลังสอนเรา คำดากำลังสอนเราในชีวิตไม่มีอะไรที่เราจะต้องประวัติพร่ำพรื่อีกต่อไปถ้าเราคิดเชิงวิเคราะห์เป็นเพราะทุกอย่างจะเป็นครูของเราและโลกนี้คืออะไรสําหรับคนที่มีศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นโลกนี้คือห้องเรียนเราคือนักเรียนของโลกชีวิตคือการเทคคอร์สเรียนกันไปพระพุทธศาสนาเรียกคนทั่วไปว่าเซฆะบุคคลคือคนที่เป็นนักศึกษา คนที่เรียนจบแล้วเรียกว่าอาเสคาบุคคลคือคนที่จบการศึกษานี่คือวิธีที่จะคิดเป็นทีนี้ก่อนจะยุติในช่วงแรกนี้จะเล่าศักยภาพของความคิดว่าถ้าคิดเป็นแล้วได้แค่ไหนอันนี้ขอย ก, ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงเหตุการณ์จริงเนี่ยเมื่อนานมากมาแล้วมนุษยชาติมีความฝันมากอยากจะไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆ วันหนึ่งนะักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาก็รวมตัวกันตั้งองค์กรนาซาขึ้นมาก็คิดจะไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ตั้งแต่เริ่มคิดก็ใช้เวลากว่าครึ่งศตรวรรษจึงส่งยานอวกาศไปสำรวจได้ขนาดสำรวจได้แล้วก็ยังมีคนตั้งข้อถกแถลงว่าสร้างภาพอีกคือไม่เชื่อว่ามนุษย์จะทำเช่นนั้นได้นีนัมสตรองที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เอ็ดวินอัลดรินที่กลับลงมา ก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมในการแสดงปางหีครั้งใหญ่หลอกโคนทั้งโลกวันหนึ่งก็มีคนไปถามนักวิทยาศาสตร์หนึ่งในสามคนที่ขึ้นไปหยียบดวงจันทร์ว่าใครเหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกดูเหมือนดินอัมสซองจะพูดวักทองซึ่งทําให้คนทั้งหมดทึ่งนะเพราะเขากําลังถูกไล่เบีย้ยเําลังตกเป็นรองก็พูดว่าผมสามคนไม่มีใครเหยียบก่อนสักคนละครับเอา้าวถ้างั้นใครเหยียบดวงจันทร์ก่อนจินตนาการเหยียบก่อน รยเท้าแห่งจินตนาการมันเหยียบเรียบร้อยแล้วเมื่อห้าสิปีที่แล้วใช <5 day> ่ไหมเอเบิร์ตออสตาจึงบอกว่า imagination is more important than knowledge จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ฮะเห็นนะความคิดขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วก่อนที่เท้าของมนุษย์จริงๆจะขึ้นไปเหยียบจากนั้นเป็นต้นไปอวกาศจึงไม่ใช่สิ่งลี้ลับสำหรับมนุษยชาติพลังของความคิดมีถึงขนาดนี้ครั้งหนึ่งเจมส์วตต้มน้าร้อนนั่งดู ไอ้น้ำมันดันฝากรเนี่ยทําท่าจะเปิดตลอดเวลาเพราะไอ้น้ำมันดันพลยกาพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเจมส์สวัสด์คิดแบบเฮ้ยทําไมฝากรมันทำท่นจะเปิดมันทําได้ไงก็มาคิดต่อก็ค้นพบพลังงานไอ้น้ําสร้างเรือสร้างเรือเดินสมดุลโดยใช้พลังงานไอ้น้ําก็กเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นโรงงานต่างๆใช้พลังงานจากพลังงานไอ้น้ําทั่วโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเริ่มมี รถยนต์เริ่มมีรถไฟเริ่มมีหัวรถจักรเริ่มมีเรือเดินมหาสมุทรที่ใช้พลังงานไอ้น้ำเกิดขึ้นได้ยังไงเจมส์วัตต์มองเห็นพลังไอ้น้ำจากพวยกาความคิดในเชิงบวกมันมีพลังเปลี่ยนแปลงโลกขนาดนี้ต่อไปไปดูความคิดในเชิงลบว่ามีพลังขนาดไหนนะเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วที่แอฟริกามีชนสองเผ่าขัดแย้งกันนะตอนนี้ตอนนี้เหตุการณ์ตรง น, นี้เป็นประวัติศาสตร์โลก เป็นกรณีศึกษาเรื่องการก้าวข้ามความรุนแรงหรืออารยะขัดขืนที่เรามักจะหยิบมาพูดพูดกันประเทศรวันดาประเทศรวันดานี้มีชนสองเผ่าก็คือเผา่าทุตซี่กับเผ่าฮูตูทุตซี่นี่คือคนส่วนใหญ่ของประเทศฮูตูนี่เป็นคนส่วนน้อยของประเทศต่อมาชนเผา่าทุตซี่นี่ก็จงเกียรติจงชังชนกลุ่มน้อย เหมือนสมัยก่อนที่คนจีนเนี่ยเขาจงเกลยียดจงชังอนารายะชนพวกทรงหนูที่อยู่นอกกำแพงเมืองจีนแต่ต่อมาเผ่าทรงหนูเนี่ก็ขึ้นมาสถาปนาราชวงศ์ชิงครองเมืองจีนมันซะเลยรู้เร็วรู้รอบไปทีนี้เผ่าตุซี่เผ่าฮตูเนี่ยพอจริงจิงชังรังเกียจกันต่อมาเผ่าตุซี่ยึดสถานีวิทยุได้ตั้งใจฟังให้ดีนะเขายึดสถานีวิทยุนะอ่าเอเ อ, เอไม่ใช่เอ <laughs> ็นบีทีนึกว่าหวังดี <laughs> ตานี่เสียงตาสมิทร์ NVT ใช่ไหมก็ใกล้ๆเคียงกันนะชื่อเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน L อะไรสักอย่างเนี่ยนำหน้านะเผ่าทุกที่ก็ยึดสถานีวิทยุแล้วก็ปล่อยข่าวโฆษณาชวนเชื่อทุกวันว่าชนเผ่าหูตูนี้เป็นเผ่ากาลีบ้านกาลีเมืองเจอที่ไหนให้สังหารที่นั่นแล้วก็ออกวิทยุแล้วก็จะมีมีคน โทรก็ไปบอกวิทยุว่าตอนนี้เจอคนเผาฮูตูตรงนั้นตรงนี้ก็จะมีคนตรูกันออกไปฆ่าพบที่ไหนฆ่าที่นั่นเราเรียกปฏิบัติการข้ั้งนั้นว่าปฏิบัติการฆ่ามะแลงศพัพร์เชื่อไหมในเวลาหนึ่งปีคนในประเทศเดียวกันพื้นเผาแผ่นดินเดียวกันฆ่ากันตายประมาณแปดแสนถึงหนึ่งล้านคนดูเอ็นอเมริกาเบลเยียมฝรั่งเศสอังกฤษ ส่งทหารเข้าไปช่วยรับมือไม่อยู่เพราะอะไรเพราะการฆ่ากันนั้นกระจายไปทั่วประเทศกว่าชาวระวันดาจะฟื้นตื่นขึ้นมาว่าเราถูกสถานีวิทยุแห่งนั้นโฆษณาชวนชื่อให้ฆ่ากันเองก็ต่อเมื่อมีคนเสียชีวิตในลักษณะฆ่าล้างโคตไปแล้วหนึ่งล้านคนเสษเห็นพลังของความคิดที่ผิดไหมคนคนด้วยกันเนี่ยฆ่ากันเองนะ เพราะฉะนั้นศักยภาพของความคิดนั้นมีมหาศาลถ้าเราคิดเป็นคิดถูกคิดดีคิดมีประโยชน์เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเหมือ น, Einstein, เนเอน att, เบอร์ไอสไตน์เปลี่ยนแปลงโลกเหมือนเจมส์วัตเปลี่ยนแปลงโลกเหมือนเซอร์ไอแซคนิวตันเปลี่ยนแปลงโลกเหมือนพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงโลกแต่ถ้าเราใช้ศักยภาพของความคิดนั้นไปในทางที่ผิดเราก็จะไม่ต่างจากชาวระวันดาเผ่าฮูตูเผ่าตูซี่ที่หนึ่งปีฆ่ากันหนึ่งล้านคนจะเหมือนกับฮิตเลอร์ ที่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองฆ่าชาวยิวหกล้านคนเจะเหมือนกับพรพศที่ฆ่าชาวกัมพูชาเกิดตํานานทุ่งสังหารหนึ่งล้านคนและจะเหมือนทหารญี่ปุ่นที่ตรูกันเข้าไปฆ่าชาวจีนในนานกิงภายในเวลาสามอาทิตย์ชาวจีนถูกฝังทั้งเป็นนะที่เมืองนานกิงนะประมาณสามถึงสี่แสนคนถูกกระทำำราําชําระระหว่างพ่อแม่ลกูกให้สมสู่กันเองเสร็จแล้วทหารญี่ปุ่นล้อมมือล้อมวงตบมือ แล้วเอาชาวจีนมายืนเป็นแถวเนี่ยขุดหลุมใหญ่โตมากให้ชาวจีนยืนร้อมหลุมเหล่านั้นไว้แล้วก็ตั้งปืนกลยิงร่วงลงไปในหลุมให้คนที่ยังเหลือเป็นคนกรบหลุมหลุมนี้กรบเสร็จแล้วขุดหลุมใหม่ขุดเสร็จขึ้นมายืนปากหลุมแล้วยิงร่วงลงไปให้คนที่ยังเหลือกบหลุมและขุดหลุมใหม่ภายในสามอาทิตย์คนจีนถูกทหารญี่ปุ่นฆ่าตายในสงครามโลกครั้งที่สองกว่าสามถึงสี่แสนคน เมื่อมีนักข่าวไปสัมภาษณ์อดีตทหารญี่ปุ่นว่าทำไมคุณฆ่าคนได้โหดเหี้ยมถ้าเป็นชาติขนาดนั้นอดีตทหารฐานสงครามโลกครั้งที่สองบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยพวกคนจีนก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขหรือสุ ก, กรคือเขาถูกล้างสมองมาให้คิดในเชิงมิจฉาทิฐิเรียบร้อยแล้วนักศึกษาคนหนึ่งไปเจอเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซึ่งญี่ปุ่นจีนอเมริการ่วมกันปกปิดนะร่วมกันปกปิดกว่าห้าสิบปี นักสังคนนี้ไปค้นพบแล้วก็มาเขียนเปน็นหนังสือในชื่อดอนครายนานกิงเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วทันทีที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยไปทั่วโลกเธอถูกกดดันจากจีนจากญี่ปุ่นจากอเมริกาว่าเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยทําไมสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ฆ่าตัวตายเพราะโรคเซื่องๆทำไมเธอเซื่อ้าเพราะเรื่องราวที่เธอขุดค้นพบนั้นโหดเกินกว่าที่มนุษย์จะทําต่อกันและกันแต่มาภาพเองอ่านต้นฉบับแล้วเนี่ยตำหนักได้กลิ่นข่าวเลือดตลอดเวลา วันนั้นฉันเข้าไม่อร่อยเลยคือคือไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะโหดต่อกันได้ขนาดนี้อันนี้คือศักยภาพของความคิดที่ถูกใช้ไปในทางลบเห็นไหมว่าทุกคนมีศักยภาพของความคิดถ้าเราคิดเป็นคิดถูกคิดดีคิดมีประโยชน์เราจะเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีแต่ถ้าเราคิดไม่เป็นคิดไม่ถูกคิดไม่ดีคิดไม่มีประโยชน์เรานี่แหละจะเป็นคนที่กระชากโลกให้ถอยหลังเข้าครองเพราะฉะนั้นศักยภาพที่จะคิดเรามีทุกคน อันนี้ไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวก็คือคุณจะคิดยังไงให้เป็นการคิดที่เป็นกุศลตรงนี้สำคัญลองฝากกันคิดดูกับนัสการท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะขอกับเรียนถามค่ะท่านว่าจินตนาการที่เป็นต้นต่อของความคิดเนี่ยเราจะทดสอบเราจะสอบทานกับตัวเองได้อย่างไรว่านั่นเป็นพลังฝ่ายบวก เพราะในวงของความคิดมันใกล้เคียงกับคำสองคาคือคาว่าปรุงแต่งกับคาว่าฟุ้งซ่านอะไรคือฟุ้งซ่านอะไรคือปรุงแต่งแต่อะไรคือจินตนาการหรืออะไรคือความคิดเป็นค่ะท่านท่านท่านวาขยับไมโครโฟนนะคะคณิมณ์ค่ะอันนี้ให้ดูที่ฐานของมันถ้าฐานของมันคือวิชา มันก็เป็นการปรุงแต่งถ้าฐานของมันเป็นปัญญามันก็เป็นจินตนาการฐานของมันเป็นอวิชชาเช่นยังไงนั่งดูโทรทัศน์อยู่ดีๆอย่างเงี้ยโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมา อ, อกมาีออกแล้วโอโห่รุ่นนี้นะไอโฟนพิเศษมากฉันทิ้งรุ่นเก่าเลยเนะนไทิ้งรุ่นเก่าเลยฐานของความคิดคืออะไรถามว่าในกระบวนการนี้มีการคิดเกิดขึ้นไหมมีนะอู้หู้ไอโรุ่นใหม่ไอพอทรุ่นใหม่ ของเดิมมีแต่มันเป็นรุ่นเก่าเราก็คิดอยากได้ขึ้นมาความคิดมันทำงานแล้วมันเกิดการปรุงแต่งแล้วแต่เรายังไม่เรียกว่าเป็นเป็นความคิดหรือเป็นจินตนาการนะฮะเราเรียกได้ว่าเป็นเพียงสัญชตาตญาณในการรู้จักคิดฐานของมันคืออะไรตันหาเ้ตัหามันกระตุ้นกระตุ้นเราให้คิดไงนั่งดูข่าวแต่งตั้งครามาใหม่หูอีตาคนนี้มาแล้วฉันเปลี่ยนช่องเลย มันไม่ใช่จินตนาการอย่างนี้มันเป็นอะไรก็มันยังเป็นการคิดพรุงแต่งหรือการคิดปรุงสร้างเพราะาหลักฐานของมันคือโทสะของโกรธไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าความคิดชนิดไหนเป็นความคิดที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ให้ดูว่าฐานมันมาจากอะไรแต่ถ้าเรานั่งดูโทรทัศน์อยู่ดีๆแล้วโอ้บ้านเมืองวุ่นวายเลือกเกินแล้วเราก็บอกตัวเองว่าอ๋อก็เป็นอย่างนี้ราคาของประชาธิปไตยก็ต้องจ่ายไปได้วยความขัดแย้งของคนในชาติ นบ้านเมืองที่มีประชาธิปไตยต้องใช้เวลาร้อยหสิบถึงสองรอยปีการเมืองจึงจะนิ่งของไทยมาได้แค่เจ็สิบหกปีอ๋อธรรมดาเห็นไหมปัญญามันเกิดขึ้นอันนี้เป็นจินตนาการแล้วเพราะฉะนั้นความคิดที่เราจะยอมรับว่าเป็นความคิดที่ใช้การได้ฐานมันจะต้องมาจากการคิดในเชิงเหตุผลรองรับอยู่ด้วยแต่ถ้าความคิดที่เกิดจากความโลภ คือตันหาความโกรธความหลงหรือกิเลสบรรดามีทั้งหมดอย่างนั้นเราเรียกได้ว่าเป็นได้แค่ความคิดปรุงแต่งความคิดฟุ้งซ่านาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความคิดที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้จะเป็นอกุศ ล, ลจิตหรือเป็นกุศ ล, ลจิตให้ดูว่าถ้ามันมาจากโลภโกรธหลงเป็นความคิดเชิงลบเป็นอกุศลลจิตความคิดอย่างนี้ต้องละต้องเลิกถ้าเป็นกุศ ล, ลจิตฐานของมันก็คือปัญญาเกณฑ์วัดว่ามันมีปัญญาหรือไม่ก็มันสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผล ในขณะที่คิดนั้นมันไม่นำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้เราขณะคิดถ้ามันเป็นฐานทางบัญญามันจะโล่งปลอดโปร่งตลอดสายและเมื่อสำแดงผลออกมาผลนั้นจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นวิธีคิดว่าเป็นความคิดที่ใช้ได้ให้ดูสามระดับหนึ่งหนึ่งตัวฐานของการคิดสองกระบวนการของการคิดและสามผลลัพธ์ของการคิดฐานของการคิดถ้ามันเป็นฐานของเหตุผลฐานของปัญญาใช้ได้ กระบวนการของการคิดถ้ามันดําเนินไปในลักษณะปฏิจจสมุปาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไล่กันไปเป็นสายโซ่มีเหตุมีผลอิงอาศัยซึ่งกันและกันไปอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ถูกต้องแสดงผลออกมาเป็นความปลอดโปร่งโล่ ง, ลงเบาตลอดสายไปคิดในเรื่องใดๆก็ได้คําตอบที่ดีงามนํามาประพฤติปฏิบัติก็ใช้ได้นี่เพราะฉะนั้นให้วัดที่รากฐานของความคิดกระบวนการในการคิดและผลลัพธ์ของความคิด ในทางตรงกันข้ามก็ให้ดูดตามนี้ถ้ารากฐานไม่ดีกระบวนการไม่ดีผลลัพธ์ไม่ดีมันก็เป็นความคิดที่ใช้ไม่ได้ในไหนตอบแล้วก็จะตอบเลย ว, ว่าอะไรทำให้ความคิดของเราเวลาคิดแล้วมันไม่ตลอดสายเหมือนเราขับรถไปแถวถนนสีลมถนนราชดำเดนินในช่วงเวลาเร่งด่วนมันติดกันเหลือเกินจนเหนื่อยจนท้อนะทำไมมันติดหลายคนเวลาเวลาขับรถยนต์ทางความคิดแล่นไปตามถนน มันเต็มไปด้วยไฟแดงคิดเรื่องนั้นก็ติดคิดเรื่องนี้ก็ติดอ๊้ทำไมฉันไม่คิดปลอดโปร่งโล่งเบาตลอดสายเหมือนคนอื่นเขาทําไมอุปสรรคของของความคิดคือสองเรื่องหนึ่งเราไม่เคยฝึกคิดเชิงเหตุผลเราไม่เคยฝึกคิดเชิงเหตุผลเราคิดตามสิ่งเราตามเงื่อนไขคิดประถูกวางเงื่อนไขอย่างดูคณะรัฐมนตรีชุดนี้เราเห็นแล้วนะว่าทําไมหน้าตาเนี่ยพูดได้เลยว่าขี้เร่นะ เอาตำรวจไปเป็นหมออย่างเงี้ยเอาหมอไปเป็นนักธรรมตรีคลังอย่างเงี้ยเราบอกได้เลยว่าขิเรศคนที่แต่งตั้งเนี่ยเขาไม่มีสารภาพในการคิดเพราะเขาคิดบนฐานของผลประโยชน์เห็นไหมอย่างนเพราะฉะนั้นอิสรภาพในการคิดเนี่ยมันถูกจํากัดด้วยผลประโยชน์ด้วยการถูกวางเงื่อนไขถ้าเราถูกวางเงื่อนไขเรามีผลประโยชน์เราจะไม่สามารถคิดให้ตลอดปลอดโปร่งฉะนั้นถ้าจะคิดให้ดีเนี่ย จะต้องเป็นการคิดด้วยปัญญาที่เป็นกล่าวอุปสรรคของความคิดประการที่สองก็คือการยึดติดในความรู้การยึดติดในความรู้นี่เป็นอุปสรรคของความคิดนะที่ประเทศจีนในสมัยของพระนางบูเช็คเทียนมีนักปราชญ์เกิดขึ้นพุทธศาสนาในไกเซนก็รุ่งโรจน์มากวันหนึ่งมีพระสังฆปริณายกองที่หกเกิดขึ้นในโลกท่านเว่ยหลังท่านว่ยหลังนี่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เล่าลือกันว่าเป็นสังฆปริณายกที่ฉลาดมาก วนหนึ่งก็มีนักวิชาการใหญ่ลงจากหอคอยงาช้างมาไปหาท่านเวหลังเหมือนพวกคอมมิวนิสต์ชอบไปทดลองกับท่านพุทธทาสอ่ะพากันไปหาท่านนักวิชาการคนนี้ไปนั่งอยู่ต่อหน้าท่านเวหลังแล้วแกก็ภูมิใจว่าฉันอยากจะดูซิว่านําหน้าคนที่เป็นสังฆปริณายกแต่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะ่ะจะมีภูมิปัญญาแค่ไหนพอเป็นนั่งอยู่ตรงนั้นสังฆปริณายกเวหลังก็ถามว่าเอายมทําไมไม่กราบคนอื่นก็กราบหมดนะ ทั้งห้องเขากราบบนที่แกไม่กราบแกก็บอกว่าเต้เท้าคนอย่างผมซึ่งท่องสัตธำรรปุลจริกสูตรได้สามพันจบไม่อยู่ในฐานะที่จะกราบใครขอรับท่านไว้หลังบอกโอน่าเสียดายนะสัทธำปุลจ ร, ริกสูตรนนี่วิเศษมากเลยนั่นน่ะในนั้นท่านสอนเรื่องแรกเลยคือเรื่องความอ่อนน้อมท่านท่องได้สามพันจบใช่ไหมทำไมมันแข็งเป็นหินอย่างเงี้ยโอ้ ไหนบอกว่าไม่รู้หนังสือแต่ทําไปคมจังเลยพระองค์นี้นักวิจารองค์นั้นรู้เลยนะคนนั้นรู้เลยว่าไม่ใช่พระธรรมดาถอดถอนอาหางการโดยอีโก้ทิ้งเปกลก้มลงกราบจนหน้าผากแตกเลยคือฟังคําพูดรู้แล้วว่าไม่ใช่พระธรรมดาเพราะฉะนั้นการเข้าสู่ปัญญานั้นมันไม่จําเป็นจะต้องเข้าผ่านการอ่านออกเขียนได้เสมอไปมนุษย์คิดอักษร ตอนที่มนุษย์จำนวนมากได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วมาเป็นหมื่นล้านปีอักษรและวยายกรทั้งหลายตามมาทีหลังปัญญานั้นมันมาพร้อมกับมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดแล้วแล้วเราก็มาหลงสมมติกันว่าใครที่อ่านออกเขียนได้เยอะๆเป็นผู้มีปัญญามีพวกบ้าบอคอแตกทั้งนั้นคนเรามันมีปัญญาก่อนที่จะมีภาษาใช้ก่อนที่จะมีตัวหนังสือก่อนที่จะผันกริยาสามช่องเป็นปัญญามันมาพร้อมตั้งแต่เราเกิดแล้ว แล้วหลังๆเราก็มาลงสมมติว่าใครอ่านออกเขียนได้เยอะๆนี่คนนั้นเป็นปราฏิท่านเวรหลังก็เลยสอนว่าน่าเสียดายเนาะที่หมนที่ท่านท่องเอาไว้ตั้งสามพันจบไม่ได้ทําให้ท่านดีขึ้นกว่าชาวบ้านทั่วไปเลยเสยดายนะคุณนะวิชาความรู้เนี่ยนะรู้เอาไว้เพื่อฝึกตนนะไม่ใช่รู้เอาไว้เพื่อเกยทับใครโอ้โหพอท่านเทศอัดอย่างนี้ติดหมุมน้ำเงินเลย ปัดิ น, นปณิธานตัน้งปณิธานตั้งปฏิยานตนขอเป็นลูกเสร็จแล้วให้ท่านเวหลังเปลี่ยนชื่อให้ด้วยต่อมาพระรูปนี้กลายเป็นนักปะารูปหนึ่งของประเทศจีนท่านไม่ได้มีความรู้แต่ท่านภูมิใจว่าท่านมีความรู้และนั่นทำให้ท่านไปไม่ถึงความรู้เห็นไหมอุปสรรคของความคิดคืออะไรการที่เราไปยึดติดในความรู้ที่เรามีอยู่แล้วว่ามันเป็นความรู้ที่วิเศษที่สุดแล้วในปฐพีนี้ ทั้งคนไทยทะเลาะกันเพราะอะไรยึดติดในความคิดและทฤษฎีที่ตัวเองสังกัดฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าต้องการเมืองใหม่ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าต้องการการเมืองเก่าก็เพื่อที่จะเอาคําสองคเนี้มาทําให้เป็นผู้ชนะคนไทยอีกกี่คนที่จะต้องมาสังเวยชีวิตเพื่อให้คําว่าการเมืองเก่าและการเมืองใหม่ไปยืนอยู่บนเวทีทั้งๆนี้คําว่าการเมืองเก่าคําว่าการเมืองใหม่เป็นสิ่งสมมุติแต่ชีวิตมนุษย์เป็น ของจริงไอ้ที่ตายเนี่ยตายจริงๆเลยนะที่ยิงเนี่ยลูกปืนจริงเลแต่สิ่งที่ทะเลาะ ก, กันเนี่ยเพื่อสถาปนาให้มันเกิดขึ้นสิ่งสมมตุติเพราะมันคือชุดความคิดชนิดหนึ่งมันน่าเศร้าไหมที่เราเอาชีวิตซึ่งเป็นความจริงไปแลกกับสิ่งสมมติเพราะฉะนั้นอุปสรรคของความคิดก็คือการถูกวางเงื่อนไขด้วยกิเลสด้วยผลประโยชน์ด้ดวยกรอบคิดด้วยทฤษฎีทั้งหลายทั้งปวงทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้ศักยภาพในการคิดอย่างเป็นกลาง และสองก็เพราะเรายึดติดในความรู้หลงไปว่าความรู้คือปัญญาพระพุทธเจ้าเวลาพูดถึงความรู้กับปัญญาใช้คนละคานะพูดถึงความรู้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสูตรตะใช้คำว่าสูตรตะเช่นพระหูสูตรแปลว่าอะไรผู้คงแก่เรียนถ้าแปลตามตัวพระหูสูตรแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามากแต่พอพูดถึงคนที่มีปัญญาพระพุทธเจ้าใช้คาว่าบันเดต ไม่ได้ใช้คําว่าสุตตะอะไรนะใช้คําว่าบัณฑิตใช้คําว่าเมธีเพราะฉะนั้นคนจํานวนมากคิดว่าการครอบครององความรู้มากๆก็คือการมีปัญญาดังนั้นถ้าเรามีองค์ความรู้มากๆแล้วถ้าเราคิดไม่เป็นความรู้ที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะเน่าเพราะมันเน่ า, ม, นนามันส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเลยใครอยู่ใกล้เรานี่ถูกคมหมดเลยเห็นได้ออยังะเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะมีความคิด แต่ถ้าเราก้าวข้ามไม่พ้นอุปสรรคสองตัวนี้ความคิดนั้นก็ไม่บันเจิดไม่เป็นความคิดสั้งสั์เรื่องความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ใช้เป็นกระบวนทัพเป็นผู้นำสัมมาชิติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องคิดอย่างถูกต้องเวลาที่เรามองความความคิดเนี่ยถ้าเรามีความอึดอัดติดกับอยู่กับความคิดของเราเนี่ยมันก็เป็นความคิดในเชิง เหมือนกับวิชาทิฐิคือถ้าเรามองอวิชาเหมือนเป็นอะไรที่เราเรากำลังเรียนรู้นะแม่มองว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันขณะตรงที่ว่าเราสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นๆนะคะซูถ้าเราเป็นคนที่มีภูมิธรรมน้อยภูมิธรรมน้อยก่อนเราไม่ทันอวิชาหรอกเพราะอวิชามันชดช่วงมันสามารถที่จะแบบ มีกลไกลไอ้ที่เรารู้มากเรารู้ผิดเนี่ยมันเป็นอวิชานะอภาษา้่ายง่ายแต่ถ้าเราฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ทันไอ้ตันหาคือการมองให้ทันเนี่ยมันอ่อนโยนมากนะคะสำหรับแม่แล้วเนี่ยแม่อยากจะบอกว่าการเข้าถึงความจริงที่เป็นการปฏิบัติในปัจจุบันขณะเนี่ยมันจะทำให้เราถ่มตัวมากเลยเราไม่ทันตอนอวิชาแต่เราทันตอนตันหาน่ะลูก ตัณหาเนี่ยมันเป็นภาวะของความหยาบซึ่งมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดมาจากความเพลินในความรู้สึกฉะนั้นเวลาที่เราใช้ปัจจุบันขณะไม่ว่าจะเป็นการสังเกตเห็นโดยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีไอความรู้สึกมากระทบที่ใจของเราแล้วเรากลับไปอ่อนโยนต่อความรู้สึกเนี่ย แม่จะใช้คําว่าอะไรกับนิสิตสาวิกาแม่จะใช้คําว่าอย่างนี้ได้ไหมลูกเวลาที่เราพูดถึงเวทนานุปัสนาภาวนาเนี่ยก็คือการเห็นว่าความรู้สึกไม่เที่ยงเออมันเห็นถึงความไม่เที่ยงมันมีภาวะของการทนอยู่ได้ยากแล้วมันมีภาวะที่มันสลายไปหรือคายคืนในธรรมชาติที่เราต้องเข้าไปเห็นอย่างอ่อนโยน มันจึงไม่ได้เป็นความคิดที่ผ่านสมองคือถ้าเรากําลังถามในแง่ว่าเอ๊ะมันคิดยังไงอ่ะที่เรียกว่ามันคิดถูกคิดคิดอย่างคนมีปัญญาเนี่ยคือถ้าเรามองว่าสัมมาทิฏฐิคือการเห็นแล้วไม่เป็นแบบครุกคลีลงไปอยู่กับความรู้สึกอ่ะไม่เผลอไม่เพลินอยู่กับความรู้สึกอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ไม่ทันอวิชชาหรอกพวกเราก็ยังต้องศึกษากันอีกเยอะแต่ว่ามันทันตัญหา แล้วนี่แน่เจ้าตัญหาเรารู้จักเจ้าเสียแล้วล่ะเจ้าทำเรือนแห่งทุกข์ให้เราไม่ได้อีกต่อไปคองเรือนของเจ้าเรารู้เสียแล้วยอดเรือนของเจ้าเราก็ถอนเสียแล้วนี่เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปเห็นทันในวันที่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราเอาพอระบรมาครูเนี่ยมาลองกำกับ ด, ดูก็ได้นี่ลูกลองใช้วิธีการอย่างเนี้อยอย่างอ่อนโยนน่ะลูกออนี่แน่ ัเอใบปายแม้ก็จะใช้คำนี้ใช่ไหมโฆษณาที่แบบมันง่ายๆมันมันเห็นทันแต่เรามักจะเผลอเร า, ามักจะเพลินหรือบางทีขอโทษนะฮะเราปฏิบัติแบบอยู่ในรูปแบบที่มันเพ่งแล้วก็ตึงเครียดสุดโตงอะไรเงี้ยมันก็นะอ่ะแล้วก็เออเอ่ค่อยๆถอนคลายมันคืออย่าไปอย่าไปอึดอัดแต่ให้มองมันอย่าง อ่อนโยนแม่แม่มองว่าถ้าอย่างเนี้ยความสงสัยจะค่อยๆหายไปนะลูกลองลองมองดูอย่างนี้คือค่อยๆสังเกตเฝ้าดูในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ออ่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรเกินที่มนุษย์จะทําได้ไม่ต้องอวดเกง่งอวดวิเศษอวดรู้อะไรมากหรอกแต่เห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยแม่ว่าอันนี้เราจะเริ่มเข้าใจ ไอ้ประเด็นที่ผูถามว่าเอ๊ะอะไรมันจะตรวจสอบยังไงเหรอซึ่งมันก็ต้องเป็นการทำงานโดยปัจจต่งโดยโดยเราแล้วเวลามันเกิดขึ้นมันก็เป็นอาการที่โกงจริงนะฮะมันไม่มีการไม่มีเวลาถ้าจังหวะนั้นเนี่ยมันมันลงตัวพอดีเราก็จะเออเออตอนนี้พ้นเนาะพอไม่เผลอเออก็พ้นนะพอเผลอก็ครุบครีเงี้ยมันก็เห็นจังหวะ หรือว่าถ้ามันไม่เพลินก็พ้นภาษาการปฏิบัติถ้าไม่เพลินอยู่กับความรู้สึกมันก็พ้นอันนี้ก็ผู้ปฏิบัติที่มาอยู่กับเราสองสามวันก็จะฝึกอย่างนี้แหละใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเบื่อยังถ้าเบื่อก็ต้องเห็นทันก็อยากจะมีคำถามถึงท่านแม่ชีแล้วก็พระคุณเจ้าว่าเราจะโน้มน้าวแล้วก็ชักจูง เยาวชนยังไงให้มาเข้าใกล้พระพุทธศาสนาเพื่อว่าจะฟื้นฟูแล้วก็เผยแผ่ธรรมะต่อไปในอนาคตขอบคุณค่ะท่านจะตอบก่อนเลยใช่โยมสั้นๆก่อนฮะให้คุณแม่ก่อนนะคะค่ะอคุณแม่ยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะให้เห็นเป็นภาพเลยว่าอย่างอาทิตย์เนี้ยเราบอกแล้วว่าเรามีคนที่อายุที่สูงที่สุดคือไม่เกินยี่สิบเก้าเป็นกลุ่มที่มากที่สุด อ่ะลองดูใครอายุไม่เกินยี่สิบเก้ายกมือขึ้นลกยกสูงสูงท่านดูนะคะนี่คุณคุณแม่ไม่ได้ชวนเลยนะมี่มาเองแสดงว่าเอ็นนี้ศรรษิษาวพิการนี่แก่เกินยี่สิบเก้าดูนะคะอีกทีหนึ่งนะคะใครไม่เกินสามสิบเก้ายกมือขึ้นหมายถึงว่ายี่สิบเก้าก็ต้องยกด้วยเพราะไม่เกินสามสิบเก้าเห็นไหมฮะเกือบหมดแล้วคะ่ะท่านคะ่ะอมือลงใครเกินสามสิบเก้ายกมือขึ้น เป็นกลุ่มที่น้อยลงท่านเห็นไหมคะใครขอโทษนะ เ, นเกินห้าสิบยกมือขึ้นนี่น้อยลงท่านเห็นไหมคะเป็นห้าสิบเห็นไหนั่นเราจะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับการจัดการหรือเปล่าอันนี้คุณแม่ตอบท่านที่ถามนะคะว่ามันคงอยู่ที่กระบวนการของการจัดการหรือเปล่าดูคือเรามองว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร่าเริงได้ไหมธรรมะเป็นวิถีชีวิตได้ไหม ธรรมะเป็นการปฏิบัติที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ Here and Now ถ้าเราเข้าใจว่าการปฏิปฏิก็คือการเข้าถึงความจริงในปัจจุบันขนาดนะี้เป็นเรื่องที่ล่าเริว ม, มากทัน ส, สมัยมากสำหรับคนรุ่นใหม่แม่ก็เชื่อว่าวิธีการอย่างนี้จะทำให้คนหนุ่มสาวเข้ามาสนใจเพราะนี่เป็นวิธีการที่เราทำอยู่ใน20ปีนี้สตีเียนธรรมสถานมีคนแก่เข้ามาน้อยมากจริงๆนะลกูก แล้วใช้ spiritual entertainment คือความสนุกสนานทางปัญญามากเลยที่จะผ่านสื่อต่างๆรวมทั้งการทำสวนปลูกต้นไม้ปัย่าทำของของง่ายให้ยากแต่ให้ทำของยากให้ง่ายฉะนั้นการที่เราทำของง่ายให้มันดูยากเนี่ยมันจะดูเคร่งยังไงก็ตามแต่พระองค์ก็ไม่สันเสริญนั่นเราก็ต้องมาพูดกันถึงถึ ง, ถ, งถึงวิธีการไม่เชื่อว่าธรรมศัสตร์สิตถ้าวิธีการมันสามารถทาให้ถึงถึง จิตใจของคนที่เป็นคนรุ่นเนี้ยคนในในโลกปัจจุบันที่ไม่ว่ามันจะมีโลกาพิวัติขนาดไหนยิ่งโลกาพิวัติมันก็ยิ่งต้องมาต้องมีธรรมาพิวัติที่แบบยางรวดเร็วอะ่ะคือมันต้องคู่กันไปเลยยิ่งมันไ t เทคโนโลยีมันก็จะยิ่งต้องมีคุณธรรมสูงขึ้นแม่มองอย่างนี้ท่านวรว่าไงคะก็อยากจะตอบว่า ทำอย่างไรเราจะฟื้นฟูพุทธศาสนาให้กลับมาร่วมสมัยได้อย่างมีชีวิตชีวาต้องกลับไปที่พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในป่าประดูลายเป็นพระสูตรที่สำคัญมากเป็นที่ยกย่องกันในโลกตะวันตกคือวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปภิกษุสงฆ์หลายร้อยรูปโดยเสด็จพระองค์ทรงก้มลงเก็บใบประดูลายขึ้นมาตรงนี้สาคัญนะก้มลงเก็บนะ เพราะมีหลายคนเอาไปพูดผิดว่าพระองค์นั้นเป็นเด็ดใบประดู่ลายมาพราเด็ดใบประดู่ลายนี่ผิดวินัยเลยนะพระองค์นึ้นตนละเมียดมากค้มลงเก็บใบประดู่ลายขึ้นมาแล้วกับภิกษุทั้งหลายใบประดู่ลายในป่านี้กับใบประดู่ลายในมือเราอันไหนมากหรือน้อยพระสงฆ์ก็กราบบังคมทูลต่อว่าใบประดู่ลายที่อยู่ในพระหัตของพระองค์สิน้อยมากในป่านั้นมากเลือกเกินพระองค์ก็ตรัสว่า อุปมาฉันใดอุปมาอีก็ฉันนั้นธรรมที่เรารู้แล้วเนี่ยมากเหลือเกินแต่ที่เราเลือกคันกลั่นกรองนํามาสอนก็คือธรรมที่ใช้ดับทุกข์ได้ธรรมที่ใช้ดับทุกข์ได้ถ้าเราจะฟื้นฟูพุทธศาสนาบุคลากรทางพุทธศาสนาจะต้องนําเสนอธรรมะที่ใช้ดับทุกข์ได้ถ้าถ้านําเสนอธรรมะที่ใช้ดับทุกข์ได้ไม่ต้องทําอะไรเลยคนมาเอง ท่านอาจารย์พูดถึงทานแลไ ม, ไม่เคยใช้นักยุทธศาสตร์มาวางยุทธศาสตร์ให้ท่านเลยหลวงพ่อชาสุภะโทท่านก็ไม่เคยใช้แผนการตลาดอะไรเลยแต่คนเห่ไปหาท่านถามว่าทำไมเพราะทำที่มาจากท่านดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถึงที่สุดแล้วถ้าเราอยากให้พุทธศาสนายังคงมีชีวิตชีวาร่วมสมัยนะเราจะต้องมาทําให้พุทธศาสนาที่ตัวของศาสนาบุคคลนลั่นแหละดับทุกข์ได้ในตัวท่านเองก่อน จากนั้นนำไปดับทุกข์ให้กับคนร่วมสังคมเพราะเขาเห็นปุบ๊บธรรมาน่มันมีสนเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งก็คือใครได้รับอนุภาพของธรรมแลดับทุกข์ได้ไม่มีทางที่จะหบปากได้อีกต่อไปมันต้องพูดลูกศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นคือท่านอาจารย์ทองรัตน์มันรู้ธรรมแล้วหลวงปู่ไม่ให้เทศมันมันจะอั้นใจตายไปขอหลวงปู่หลวงปู่ขอพระพุเทศได้ไหมหลวงปู่มั่นอัดไว้สามวันไม่ให้เทศ ลุงปู่ไม่มีเทธจริงจรแต่มันอยากเทธอะ่ะคนมันมันรู่ทําไงลุงปู่ม่านบอกคิดเอาเองก็ลงไปข้างล่างไปเจอขวานอยู่อันหนึ่งเขาใช้ผาเฟินลุงพ่อทองรัตไปหยิบขวานมาเดินไปที่กุฏิเจอตอไม้ขนาดนี้ทั้งคืนไม่หลับนะผาเฟินทั้งคืนจนขวานเหลือแต่ซากไอ้ขอนนี่นเหลือแต่ซากสามวันลุงปู่ม่านเดินมาดูเฮ้ยอืมใช่ได้อจากนี้เป็นต้นไปคุณเทศได้ ทำไมให้เทศเพราะพอบรรลุใหม่ๆเนี่ยมันเกิดการพองตัวของปัญญาปัญญามันยังไม่นิ่งมันพองมันบานออกมาเหมือนระเบิดปรมาณูที่มันระเบิดปุ๊บมันตูมขึ้นไปมันยังไม่คงตัวพอคงตัวปุ๊บมันนิ่งแล้วผ่านความร้อนมาแล้วผ่านการสันดาบแล้วเอาละนิ่งแล้วนะไม่ตะลีตลเหลือกแล้วนะมีชื่อมีเสียงก็ไม่เตืนไม่เต้นมีผลประโยชน์เข้ามาก็ไม่สั่นไม่ไหวแล้วเอาละทีนี้คุณเทศได้ เพราะฉะนั้นธรรมะสายสายหลวงปู่ ม, มานเนี่เป็นที่นิยมทุกยุคทุกสมัยเพราะมันตอบโจทย์ของคนที่มีความทุกข์ธรรมะที่ดับทุกได้คือธรรมะที่จะร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีธรรมะที่ร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลาเติมการจัดการเข้าไปนิดเดียวเหมือนในธรรมภาพเปิดลังสูดกิเลสแมネจเมนต์กิเลสเขาร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลาคือเขาเขาเขาอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราจัดการไม่เป็นนะ ก็ถูกมันจัดการเพราะเราจัดการเป็นเจ้ากิเลนนี้เองทําให้เราได้ประโยชน์มหาศาลเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นทำรร ม, มาที่ดับทุกข์ได้ถ้าดับทุกข์ได้ก็ตอบโจทย์ของคนร่วมยุคสมัยได้เพราะอะไรคนไม่ว่าจะคนเก่าคนใหม่ที่เกิดแล้วตายไปแล้วได้ที่จะมาใหม่และที่ยังอยู่รูปแบบของความทุกข์ของมนุษย์จะไม่ต่างกันแค่เนี้ยมนุษย์จะทุกข์ที่สุดก็ทุกข์อย่างที่มีคนเคยทุกข์มาแล้วเป็นอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาธรรมะไปดับทุกข์ได้มันร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลาและทุกวันนี้เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ถ้าเราเติมการจัดการลงไปอย่างที่คุณแม่บอกธรรมะก็จะมีชีวิตชีวาแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นธรรมะกับการจัดการนี้สําคัญมากถ้าขาดคำว่าการจัดการนี้จะมีปัญหาพระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดนักจัดการยิ่งกว่าปีเตอร์รักเกอร์นะฟิลิปคอปเปอร์นี่สู้ไม่ได้หรอกธรรมะคือธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าแต่สรูปแล้ว ทำยังไงคนจะรู้ธรรมพระองค์ใช้การจรัดการฉะนั้นเมื่อพูดถึงธรรมพระพุทธเจ้าจะพูดอีกคำหนึ่งมาเข้าคู่กันคือวินัยการจัดองค์กรนะวินัยก็คือการจัดองค์กรถ้าพระพุทธเจ้าไม่จัดองค์กรนะป่านนี้คณะสงฆ์จบแล้วทั้งทั้งที่เราจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้เข้าถึงธรรมเหมือนกันแต่ทธรรมยังต้องมีคณะสงฆ์เพราะคณะสงฆ์จะเป็นองค์กรที่หล่อเลี้ยงสังฆะเอาไวใ้ให้โลกดูเป็นตัวอย่าง การจะรักษาคณะสงฆ์ไว้ให้เป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกได้ก็ต้องอาศัยการจัดองค์กรที่เรียกว่าการบัญญัติวินยัยพอบัญญัติวินัยเสร็จปุ๊บใครมาบวชอยู่ในวินัยนี้ปั๊บบวชได้ตลอดชีวิตวิถีชีวิตของสังขาก็เลยสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้เห็นไหมธรรมะเป็นธรรมชาติดีอยู่แล้วตรงนั้นแต่พู้ไเจ้ามาตรัสรู้ตรัสรู้เสร็จปุ๊บบัญญัติจัดวาง แล้วก็จัดการให้เป็นพระวินัยพระสูุดพระอภิธรรมปิฎกฉะนั้นตั้งวินัยขึ้นมาจัดการให้คนเข้ามาสู่รูปแบบธรรมะแล้วก็เสพเรื่องกันไปนะเพราะฉะนั้นเอาธรรมะที่ดับทุกข์ได้มาสอนจะร่วมสมัยเสมอเพราะความทุกข์ของคนเหมือนการทางโลกเปลี่ยนแต่คนที่เปลี่ยนหน้ามาทุกเท่า น, นั้นแหละแต่เนื้อหาความทุกข์เหมือนเดิมเปลี่ยนหน้ามาทุกแต่ความทุกข์ทุกเดิมเติมการจัดการเข้าไปหน่อยก็จะมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นทําได้อย่างนี้ตมาเชื่อมั่นว่าก็เกิดทําเอนเทนเมน นะก็คือธรรมะบันเทิงได้แล้วก็ร่วมสมัยได้